จะบอกแต่ถ้าท่านเชื่อและไว้วางใจในสมณเพศของอาตมาก็บอกได้หรือเชื่อแต่ไม่บอกก็ได้ตามใจแต่งั้นข้าพเจ้าไม่ขอบอกล่ะท่านไม่บอกก็ไม่เป็นไรแต่อาตมาอยากจะถามอะไรทสักอย่างน่เอยอเชิญท่านสมณะถามมาเลย ธรรมดาโจรทั้งหลายย่อมมีความหวดร้ายทารุณเป็นที่หวาดกลัวและเกลียดชังแก่ประชาชนทั่วไปไม่ใช่เลยตามธรรมดาก็เป็นอย่างนั้นแล้วนี่ทำไมท่านจึงพูดว่าชายชักกันในหมู่บ้านยินดีไปเข้าเป็นสมัครพรรคพวกเพราะคุณงามความดีของพวกโจรละ่ะ เขาเป็นคนดีจริงๆท่านสมณนนะุไม่ดีแต่เฉพาะตัวเขาเทานั้นแต่ดีมาตั้งแต่บิดาของเขาแล้วข้าพเจ้าจะเล่าความจริงให้ฟังหัวหน้าโจนไม่ใช่คนธรรมดาสามัญ น, นย่าข้าพเจ้าเขาเป็นข้าราชการพดีผู้ร่ำรวยมหาศาลทีเดียวหัวหน้าโจนนี่นะะ่ะเป็นข้ารรพดีผู้ร่ำรวยถูกแล้วท่านสมณานนะุนอกจากร่ำรวยแล้ว ยังสมเร็จการศึกษามาจากตกากาซีไลา์ด้วยเคลเฮาที่อยู่ณโออาในนครราชคกลือเขาเป็นผู้ที่มีคุณธรรมอันงามไปที่เคารพนับถือของคนทั่วไปที่นาทั้งหลายในหมู่บ้านของเราก็ดีในหมู่บ้านอื่นๆทั้งแถบเหนือของกรุงราชเกลือก็ดีล้วนไปสมบัติของท่านผู้นั้นทั้งสิน้ <S <S นกมน็มีมากมายนะสิอุบาลศพใช่มีมากมายเป็นที่ที่พระเจ้าพิมพ์พิสารพระจักรารรดิแห่งแกะขาบดี ผู้เป็นบิดาของท่านอีกทีหนึ่งเมื่อบิดาถึงแก่กรรมท่านก็รับมรดกตกทอดต่อมาเจ้าเปเจ้าเองเป็นคนวันณับสุดเคยอาศัยที่ดินของท่านเศรษฐีทํามาหากินมาหลายแห่งแต่ไม่เคยเห็นเจ้าของไร่นาคนใดมีจิตใจประเสริฐเหมือนท่านผู้นี้ส่วนมากล้วนแต่โลภมากบริจักสิ้นสุดโหดร้ายทารุขูดรีดเลือดเนื้อของผู้เชาวนาประดุษทาตแต่ท่านผู้นี้ รองกันข้ามทุกอย่างด้วยควาเป็นคนดีจริงๆแน่นอนแต่แบกข้าพเจ้ามาอาศัยทํานาท่านเลี้ยงขิบไม่เคยได้รับความเดือดร้อนเลยท่านก็เก็บค่าชาวนาแต่น้อยเพียงหนึ่งในสิบส่วนเท่า น, นั้นเองขณะที่นาคนอื่นเก็บตั้งสามถึงห้าในสิบส่วนไม่ว่าจะทํานาได้ผลหรือไม่ได้ผลแล้วท่านผู้นี้ล่ะอุบานศกท่านผู้นี้จะเก็บเฉพาะทํานาได้ผล หรือในปีที่ฟ้าฝนบริบูรณ์ทำนาได้ผล่านั้นยิ่งไปกว่านั้นทานลูกนาคนใดมีเรื่องอยากแค้นขัดสนด้วยปัจจัยต่างๆไปหาท่านเท่าใจความช่วยเหลือโดยไม่เห็นแก่นหน้าและไม่หวังสิ่งตอบแทนท่านขอร้องเพียงอย่างเดียวเท่านั้นอืมท่านขอร้องอะไรให้ลูกนาของท่านทุกคนมีความสัตว์กระทำความดีต่อกันรักกันช่วยเหลือจุดพีด่น้องชาบ้านต่างเคารพเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำแนะนําของท่านด้วยความยินดีท่าสมณะข้าพเจ้าคิดว่าในนครมคตรัะนี้คงจะหาเจ้านายเช่นนี้ไม่ได้อีกแล้วแม้ท่านจะอยู่ในวัยหนุ่มเน่นแต่ข้าพเจ้าก็เคารพปูชาท่านด้วยความบริสุทธิ์ใจข้าพเจ้ายังจําคําพูดที่ท่านพูดเสมอเมื่อท่านออกมาเยี่ยมท่านพูดว่ายังไงท่านพูดว่าแม้ข้าพเจ้าจะมีข้าวเต็มอยู่ในยุ้งจํานวนร้อยข้าพเจ้าก็รีบพก เพียงเท่าที่ท้องจะอำนวยวันละสามครั้งเช่นเดียวกับท่านหลากหลายแม้ข้าพเจ้าจะมีเครื่องหาด ย, ายา้ายโตมโหฬารข้าพเจ้าก็ใช้มันจริงๆเท่าที่ล้างหรือก้นของข้าพเจ้าจะนั่งหรือนอนได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะโลภโมโทสัรไปทําไมกันช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ร่มโลกผู้ยากจนไม่ดีกว่าเหรอือท่านสมณังก็เมื่อขัหน้าโจนผู้มีคุณธรรมสูงถึงป่านนี้ ชาบ้านจึงเคารพปูช่ชาและพร้อมที่จะเสียสละชีวิตเพื่อท่านในเมื่อท่านเรียกร้องต่อกันท่านคนนี้คือใครอ๋อข้าพเจ้าบอกไม่ได้หรอกแต่ธรรมารู้ว่าเขาคือใครท่านว่าใครเทวมิตรต์ท่านทราบได้อย่างไงอัตมาทรา เพราะอาตมารู้จักเข้ามาก่อนถ้ารู้จักเข้ามาก่อนถูกแล้วตอนที่อาตมาจำพรรษาที่พระเวรุวานารามเขาเป็นลูกปภากใกล้ชิดของอาตมาไปฟังธรรมที่พระอารามวันธรรมสวรรเคยเล่าอาตมาฟังถึงเรื่องนาเรื่องลูกนาเรื่องการช่วยเหลือลูกนาตรงตามที่ท่านเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นหัวหน้าโจรจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเทวมิตาราเคระหดี เขาได้หายไปจากบ้านพร้อมด้วยคาถาบริวาร น, นานแล้วคารืหาดของเขาเวลานี้ถูกทหารของพระเจ้าอาชาตสตรูยึดไว้ปุตพัญญาของเขาก็ถูกจับไว้เป็นตัวประกันอาตมาสงสารและเห็นใจเขามากทีเดียวแต่ไม่สามารถจะช่วยเขาได้ยังไงเออข้าพเจ้าเองก็ไม่สามารถจะช่วยเขาได้อืมข้าพเจ้ามันแก่แล้วถ้่ยังนมแข็งแรงอย่างแต่ก่อน ข้าพระเจ้าจะไปช่วยเข้าสู่รบกองทหารของพระเจ้าอาชาศัตรูอย่างแน่นอนแล้ท่านเงี่ยหูฟังอะไรอุบาสกมาแล้วท่านจะมามาแล้วอะไรมาอุบาสกทหารของพระเจ้าอาชาศัตรูเขามาทมําไมนะอุบาสกเขาตั้งค่าอยู่ชายป่า ทางพิษเหนือของหมู่บ้านเราเขาตั้งค่ายมาสามวันแล้วเขาตั้งค่ า, งายทําไมเพื่อป้องกันไม่ให้กองโจรเข้ามาเกณฑเอาสเสบียงอาหารจาชาวบา้านตอนกลางคืนก็จะส่งหน่วยทหารประมาณสิบคนมีอาวุธครบมือออกลาดตะเวนตามหมู่บา้านถ้าพบคนแปลกหน้านอกจากชาวบา้านเขาจะจับไปสอบสวนที่ค่ายทหารถ้าจับได้ว่าเป็นโจรเขาจะจัดการขาะถ้าพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่โจรเขาก็จะปล่อยตัวไปโดยลาดตะเวน กำลังไกล้ศาล า, าเข้ามาแล้วเขาจะต้องขึ้นมาสำรวจในศาลานี้แน่ๆเถ้าอย่างนั้นอาตมาจะทํำยังไงดีล่ะทํำยังไงเขาจะต้องจับอาตมาไปสอบสวนแน่ๆเพราะอาตมาไม่ใช่คนในหมู่บ้านนี้สําหรับอาตมานั้นไม่เป็นอะไรหรอกอุบาศกนะสิจะปล่อยระบากไปด้วยเอ้าใครอยู่ในศาลาก็ไปเจ้าเองพอเท่ากส ป, ปะและพระพิสุรูปหนึ่งต้องดูหน้าก่อน ข้ไปไววทหารสามสี่คนเดินโครมโครงเข้ามาในศาลาทุกคนถือดาบค <นา S 2> มกริบมาหยุดยืนเรียนหน้าในท่าเตรียมพร้อมดาบจ้องแสงแปบมากเมื่อต้องแสงประทิ่นตาจ้องมองมาอย่างพินิจพิเคราะห์มีใครหรือเปล่าไม่มีไม่มีมีแค่สองคนเท่านั้นน่ะสองคนเท่านั้นไม่โกหกแนะโม้ไม่โกหกแน่นอนอะไปเถอะไปเลย ทหารไปกันหมดแล้วแต่ละคนหน้าตาน่ากลัวจริงๆแต่เขาไม่ทําอะไรหรอกทหารทุกคนรู้จักข้าพเจ้าดีรู้จักท่านดีในฐานะอะไรข้าพเจ้าเป็นบุรุษผู้อวุโสรในหมู่บ้านเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านแต่เขาก็เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของข้าพเจ้าอยู่ทุกระยะเหมือนกันเฝ้าดูท่านทําไมเพราะบุตรชายข้าพเจ้าได้ไปร่วมกับพวกโจรและเป็นหัวหน้า ขุมโจรกลุ่มหนึ่งด้วยตอนที่ทหารมายืนจ้องหน้าอยู่นั้นอัตมาไม่สบายใจเลยเกรงว่าเขาจะจับเอาอัตมาไปสอบสวนแล้วท่านจะพรอมีความผิดไปด้วยเพราะท่านมาอยู่กับอัตมาไม่ต้องอิจตกลองทสมนานะข้าพระเจ้ารู้จักพวกนี้ดีมันไม่กล้าแต่ต้องสมณชีพรามหมณ์หรอกทาไมล่ะทําไมเขาไม่กล้าแต่ต้องสมณชีพรามณ์ะได้ยินมาว่าพระเจ้าอาชาศัตรู ทรงกำชับเอาไว้เป็นพิเศษไม่ให้เบียดเบียนนักบวชทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นอาเจลกาปริภาพภาชกภิกษุฉดิดาบทหรือสีหรือสัญญาสีสำหรับข้าพเจ้าเองท่านทำไม่ต้องเป็นห่วงล่ะท่านไม่ใช่นักบวชแต่ข้าพเจ้าก็แก่แล้วอีกไม่นานก็จะจากโลกนี้ไปยิ่งจากไปเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นการดีเท่านั้นเพราะอะไร ชีวิตสําหรับคนในวัยข้าพเจ้าไม่มีสิง่งใดน่ารื่นรมอีกแล้วท่านสมณนะอยู่ทนทุกทรมานไปวันๆเท่านั้นเองเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงไม่กลัวความตายและข้าพเจ้าได้สั่งบุตรชายไว้แล้วว่าไม่ต้องเป็นห่วงขอให้ตั้งหน้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อบ้านเมืองให้ดีที่สุดก็พอถึงแม้พ่อจะได้รับอันตรายจากฝ่ายข่าเสร็จถึงตายก็ไม่ต้องเป็นห่วง ความตายคือความสุขของพอ่อข้าพเจ้าได้สั่งลูกว่าอย่างนี้เขาก็เข้าใจและรับว่าจะกระทําตามคำสั่งของข้าพเจ้าเป็นเวลานานเท่าไรแล้วตั้งแต่บุตรของท่านจากไปนานมากทีเดียวทสมนนะ์ข้าพเจ้าเข้าใจว่าไม่ต่างก่าสามเดือนแต่ความรู้สึกมันนานตั้งสามปีแม้จะทาใจให้เข้มแข็งไวเท่าไหร่ก็รู้สึกอดเป็นห่วงลูกไม่ได้ ท่านเคยพบปะลูกบ้างหรือเปล่าเคยพบสองสามครั้งทสมณนนะแต่เป็นการพบเป็นลักษณะที่ประหลาดลักษณะประหลาดท่านว่าพบลูกชายในลักษณะประหลาดอย่ากันใช่ไหมอุบาสกถูกแล้วทนสมณนะท่านพอจะบอกได้ไหมว่าที่ว่าลักษณะประหลาดนั่นประหลาดยังไง ที่ขวเจ้าว่าประหลาดนั้นพาะเขามักจะมาในรูปของชดิตชดินผู้มีผมมุ่นเป็นชดาอัตมาเข้าใจแล้วยังไงหนวยเครารุ่มรามนุ่งห่มหนังเสือถือไม่ท้าดูตาทางแกกว่าขวบเจ้าเสียอีกแล้วท่านทราบหรือไม่ว่าบุตรชายของท่านไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่ไหนรู้สิท่านสมณะเขาอยู่ในป่าใหญ่ไม่ห่างไกลจากหมู่บ้านเท่าไดนะัก ทหารข้าศึกไม่รู้หรอว่าเขาพร้อมได้ผลละพักซ่อนตัวอยู่ในป่านั้นรู้เหมือนกันก็ เ, เพราะเหตุ น, นี้แหละเขาถึงยกกองทหารมาตั้งค่ายไว้ที่ชายป่าเพื่อไม่ให้กองโจนติดต่อขอเสบียงอาหารจากชาวบา้านและออกลาดตะเวนดูความเคลื่อนไหวของชาวบ้านเป็นประจำเมื่อเขารู้ที่อยู่ของกองโจนแน่นอนแล้วใช่ไหมทไมเขาไม่ยกกาลังเข้าโจมตีละ่ะอุบาสกไม่ง่ายเลยธ่านมะไม่ง่ายเลย กองทหารของพระเจ้าอาชาสตรุเคยยกขึ้โจมตีสามครั้งแล้วแต่ทุกครั้งก็พา่ายแพ้ย่อยยับกลับมาเสียรีพลและอาวุธไปเป็นอันมากบุตรชายของท่านและพรรคพวกของเขาคงจะมีกำลังเหนือกว่ามากหรือไม่ก็คงมีอาวุธพิเศษที่ทรงพลังเหนือข้าศึกละสิเล่าเลยพูดถึงกำลังพลแล้วบุตรชายขอาพระเจ้าเสียเปรียบข้าศึกมากอ้า ฟังข่าวประชากรทศมนาถึงแมุดูชายข่าวประชจะเสียเปรียบเปรี่ยงกำลังพลแต่พูดถึงเชิงกลไกจุ์และอาวุธแล้วเขาได้เปรียบทุก ป, ประตูทั้งั้ๆอยู่ในป่านั่นแหละเขาสามารถจะรู้การเคลื่อนไหวของข้าศึกทุกฝีก้าวคล้ายๆกับว่าต้นไม้ทุกต้นมีหูมีตาเทนั้นแหละค ว, วามจริงแล้วต้นไม้ก็มีหูมีตาจริงๆล่ไม่ใช่หูตาต้นไม้จริงๆหรอก อูตาคนธรรมดานีแหละทำยังไงแหละอุบาสกต้นไม้ใหญ่ทุกต้นจะมีทหารโจนแอบอยู่อย่างมิจฉิตยากที่จะสังเกตเห็นได้ทหารโจรเหล่านี้เป็นนายขมังธนูได้รับการฝึกฝนอบรมมาเป็นอย่างดีฝีมือในการยิงธนูได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วเขาจะสามารถยิงลูกในต่างขาศึกที่อยู่ห่างออกไปห้ารอชั่วคันธนูได้อย่างถูกต้องและสามารถปล่อยลูกซ้อน ลูกที่สองออกไปขณะที่ลูกแรกจะไม่ถึงจุดหมายได้ซ้ำวิธียิงธนูแบบนี้ท่านเทวมิตะเรียนมาโดยเฉพาะจากสำนักอาจารย์ทิสาปามกแห่งเมืองตักกะศิลาท่านไม่ทราบเลยเหรอท่านสมณะไม่ทราบเลยอุบสศกเทวมิตะไม่เคยเล่าเรื่องนี้อัตมาฟังเลยนภกองโจรมีความสามารถมากทีเดียว แต่อาตมาก็ยังสงสัยอยู่อีกอย่างถ้าสงสัยอะไรในเมื่อพวกกองโจรเก่งในการยิงธนูและอยู่บนต้นไม้เป็นส่วนมากทําไมทหารหลวงจึงไม่มุ่งยิงฆ่าศึกบนต้นไม้ก่อนโดยใช้โล่เป็นเครื่องป้องกันลูกศร อ, อาวุธของพวกโจรไทวัยจะมีแต่เฉพาะข้างบนแม้แต่บนแผ่นดินเบื้องล่างก็มีและมีความร้ายแรงพอๆกับอาวุธที่มาจากข้างบนด้วยล่ะอาวุธอะไรมีหลายชนิด มันเช่นอะไรบ้างลมลึกได้ไม่ด้กกวยกากน้ำาอนแหลมอาบระยาพิษทหารเคราะร้ายคนใดตกลงไปก็มีหวงังถูกกากน้ำาอนแหลมคมแทงทะลุเท้าและอวัยวะอื่นๆแต่รับบาดแผลจากกากน้ำเพียงนิดเดียวยาพิษซึ่งทำจากยางหมายนิดหนึ่งก็จะแล่นซึมซาบเข้าสู่สายเลือดทให้ผู้บาดเจ็บหายใจไม่ออกเกิดหน้าเขียวตายไปในไม่ชา ไม่มียารักษาเลยไม่มียาใดๆที่จะรักษาได้ก็เมื่อรู้อยู่ว่าเป็นหลุมเต็มไปด้วยขวักนามก็เว้นซะไม่ได้หละจะตกลงไปทําไมก็จริงของท่านถ้าเขาเห็นหลุม <c oughs> เขาก็พอจะหลีกเลี่ยงได้แต่ข้อสําคัญเขาไม่เห็นและไม่มีทางจะทราบไเลยว่าหลุมน่นอยู่ที่ไหนเออทําไมแหละอุมาสกเพราะพวกโจรได้ปิดปากหลุมไม่เป็นอย่างดี บางทีเดินเรียบเรียบนึ ก, กว่าไม่มีแต่เดินไปกลับไปตกหลุมบางทีทหารข้าสึกเห็นน้นทางเรียบเกินไปเกิด ค, ความสงสัยจึงเดินเลี่ยงเข้าไปซะในป่าข้างทางแต่กลับไปตกหลุมก็อีกจงได้เป็นอันว่าไม่มีที่ใดๆเลยที่ปราศจากหลุมและไม่มีทางจะสังเกตได้เลยว่าที่ไหนน่าจะมีหลุมที่ไหนน่าจะไม่มีหลุมข้าสึกจึงประสบการลำบากใจอย่างมาก เพราะถ้ามูวไปคบพิจารณาดูลุมก็ถูกลูกศอนจากขังบนถ้ามัวไประว่างลูกศรนก็ตกหลุมเพราะฉะนั้นการเข้าไปในปา่าจึงมีอันตรายรอบด่านทหารข้าศึากจึงพอใจที่จะคุมเชิงอยู่ชายปา่าเพื่อตัดกําลังกองโจรมากกว่าที่จะบุกโจมตีก็เมื่อกองโจรถูกกองทหารข้าศึกตั้งค่ายคุมเชิงอยู่อย่างนี้ไม่สามารถจะออกมาติดต่อ ก, กับโลกภายนอกได้ไม่ได้รับสเสบียงอาหารเพิ่มเติม เขาจะอยู่ได้ยังไงเขาเอาอะไรกินกันอ่ะดึกแล้กลับไปนอพัผกผ่อนสัทีเนี่จะหลานชามาเรียกแล้วน่าเสียดายข้าพเจามีเรื่องดีจะเล่าให้ท่านฟังอีกมากถ้าท่านไม่รีบร้อมไปที่อื่นข้าพเจ้าจะมาสนทนากับท่านอีกในวันพรุ่งนี้เออข้าพเจ้าไปก่อนล่ะ ซาลาอันเงียบสงัดอีกครั้งเมื่อสิ่งแวดล้อมเงียบสงัดจิตใจก็เริ่มคิดคำหนึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมารู้สึกว่านำตัวเข้าไปคลุกคลีกับเพื่อนของโลกมากเกินไปจนเกือบจะลืมกิจวัตรในทางธรรมะหมดสิน้นเฉพาะอย่างยิง่งเทวมิตาอุบาสกเข้ามาทำลายสมาธิอืม สุนักได้ทำหน้าที่ของมานะันมันย่อมจะหา่านี้เมื่อมันเห็นคนหรือสิ่งที่มันควรทำไมื่จะเป็นเวลากลางวันหร่กลางคืนพอแล้วหน้าที่ของสมณะละได้ทาเต็มที่ละวเรียนรอยยังไงยังไม่ได้ทำหน้าที่เต็มสมบูรณ์เทวมิตรก็กำลังทำพอาชั่วเขาได้กลายเป็นโจรจะต้องหาทางให้เทวมิตร เลิกล้มการกระทำความชั่วน่จ้ะแต่ว่าพระเทวทัตและพระเจ้าอาชาสตรูล่ะทำให้นึกถึงเรื่องก่อนที่จะออกมาจากเวลุวนาราทั้งพูดจเจริญ ข้าพเจ้ารู้สึกสลดใจอย่างยิ่งต่อเหตุร้ายที่เกิดขึ้นที่พระเวรุวานารามข้าพเจ้าไม่เคยนึกเคยฝันเลยว่าพระเทวทัพซึ่งเป็นพระเทระผู้ใหญ่เป็นพระญาติของพระบรมศาสดาจะกล้ากระทํากรรมอันหยาบช้าทำร้ายสงฆ์และไม่เคยฝันว่าพระเจ้าอาชาตศัตรูจะกล้าปลงพระชนพระบิดาได้ลงคอข้าพเจ้าคิดว่าเหตุร้ายทั้งสองนี้จะเป็นลางร้ายแสดงว่า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 ให้เอาใจใส่อยู่กับปัจจุบันเท่านั้นว่าเวลานี้เรากำลังทำอะไรอยู่ข้าพเจ้ายัางระลึกถึงคุณพระพุทธลำมหลัดข้อนี้ได้ดีและพยายามปลอบขวัญตัวเองแต่ไม่ได้ผลท่านผู้เจริญจะสังเกตเห็นว่าตามถนนหนทางมีผู้คนเดินผ่านไปมาน้อย ตั้งอยู่แต่ในบ้านจับกลุ่มปรึกษากันได้ความมิตบอนาคตของบ้านเมืองเวลานี้เข้าสู่ยุคมืดด้วยกษัตริย์ะสราชขึ้นครองเมืองแม้แต่พระบิดาของพระองค์ยังฆ่าได้แล้วชะไหนพระองค์จะไม่เบียดเบียนเข้นฆ่าไถ่ฟ้าฆ่าเป็นดินอาตมาไม่สามารถจะทราบได้ว่าอนาคตของกรุงราชครื้จะเป็นอย่างไรพระเจ้าอาชาติศัตรูปกครองบ้านเมืองได้แค่ไหน อัตมาเชื่อว่าคนที่ทําความชั่วถึงที่สุดหากทําไปได้วยความโง่เขลาเบาปัญญาลงเชื่อคํายุยงคนอื่นเมื่อสติกลับคืนมาเขาก็จะเกิดความเดือดร้อนเสียใจเป็นทุกข์เพราะการกระทําของตัวเองเมื่อเกิดความเสียใจเขาก็จะตั้งหน้าทําแต่ความดีทดแทนอัตมามีความหวังอยู่ว่าพระเจ้าอาชาสัตรู ไม่ได้ทำความชั่วเพราะนิสัยสันดานแต่ทำเพราะลงเชื่อคำยุโยงของพระเทวทัตวันหนึ่งพระองค์ก็ทรงรู้สึกตัวแล้วก็ทำความดีทดแทนแต่นี่เป็นเพียงความหวังสิ่งทั้งหลายได้เป็นไปนตามที่เราหวังทุกอย่างไหมก็นั่นนะสิข้าพเจ้าเกรงว่าจะเป็นไปในทางตรงกันข้ามมากกว่าธรรมดาคนชั่วย่อมแวดล้อมด้วยบริวารชั่ว ยุยงในทางชั่วผู้มีศรัทธาจริตเชื่อคนง่ายหลงเชื่อคนอื่นมาครั้งหนึ่งแล้วย่อมหลงเชื่อเป็นครั้งที่สองที่สามต่อไปเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ถือซะว่าเป็นกรรมของเราเป็นกรรมของชาวนาครราชครึศที่จะต้องอยู่ใต้การกดขี่ทารุณแต่ไม่ว่ากษัตริย์องค์ใดก็ตามไม่มีผู้ใดอยู่คําฟ้าไม่ว่าจะเป็นทรราชหรือธรรมิกราช ในที่สุดก็จามลาโลกนี้ไปฉะนั้นอย่าไปวิตกทุกข์ร้อนให้มากนักเลยอุบาสกบางสิ่งบางอย่างมันก็เหลือวิสัยที่จะแก้ไขได้เมื่อแก้ไขไม่ได้ถ้าเราขืนไปแก้ก็เท่ากับเหมือนแมงเม้าบินเข้ากองไฟเราก็ต้องแก้ไขที่ใจเราเองถือซะว่าเป็นธรรมดาของโลกเราก็ปล่อยวางและเกิดความสบายใจ เสียงไก่ขันทำให้หวนคิดถึงหน้าที่แม้แต่ไก่ซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานมันจะทำหน้าที่ของมันอย่างเคร่งคัดไม่ว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงลุกขึ้นนั่งเตรียมเข้าที่ทำสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบเสียงอะไร เ ม, อเม่อเกอิดขึ้นห่ะ มณนะเตรียมจะออกเป็นธบาตใช่ไหมถูกแล้วท่านกัษสปัดูท่าทางท่านรีบร้อนมากคงจะเป็นอย่างนั้นเมื่อคืนนี้ได้เกิดเหตุร้ายขึ้นที่ชายป่าทางทิศเหนือหมู่บ้านของเราเหตุร้ายอะไรอาตมาได้ยินเสียงเหมือนกันเมื่อคืนนี้ตอนดึกสงัดขณะที่ทหารหลวงในค่ายกําลังนอนหลับไหลอ ย, อยู่นั้นทหารฝ่ายกองโจรได้แอบแฝงความมืดเข้าโจมตีค่ายทหารหลวงอย่างดุเดือด สามารถฆ่าทหารหลวงได้เก้าสิบคนเวลานี้ศพยังนอนกลาดืเกลื่อนอยู่ที่ค่ายส่วนที่เหลือประมาณยี่สิบคนหนีเอาตัวรอดไปได้หลานชายข้าพเจ้าไปดูตั้งแต่เช้าเพิ่งกลับมาเล่าข้าพเจ้าฟังนับว่าเป็นชัยชนะอังวดงามอีกครั้งหนึ่งของบุตรชายข้าพเจ้าอืน่าสังเวชสลดใจมนุษย์เค็นฆ่ากันอย่างทารุณ ขอที่มนท่านไปฉันพระตาหารที่บ้านกับประชา้าเช้าวันนี้เขาพระเา้ายังมีเรื่องดีๆที่จะเล่าให้ท่านฟังส่งบาทมาเถอะเขาประเา้าจะถือให้เอง ใหข้าพเจ้าขอทําบุญกับท่านเพื่อฉลองชัยชนะของบุตรชายซะหน่อยดูท่านช่างยินดีปรีดาในความตายของมนุษย์ซะจริงๆนะถ้าท่านถือว่าการที่บุตรชายของท่านฆ่าศัตรูได้เป็นจำนวนมากเป็นความดีและจะทําทบุญกับอาตมาเพื่อฉลองความดีนั้นอาตมาเห็นจะต้องอําลาอุบาสกซะแล้วอ้าทําไมล่ะท่านสมณะอาตมารับพัตนาหารของท่าน ก็เท่ากับอัตมามีส่วนในอกุศุลกรรมนั้นด้วย ข, ขอได้โปรดข้าพเจ้าด้วยแต่ผู้เจริญข้าพเจ้าไม่ถือว่าเป็นการทําบุญฉลองชัยชนะแล้วจะถือว่าเป็นการทําบุญอุทิศส่วนกุศลแก่พวกกองโจรที่ตายในที่รบมีพวกจนตายได้หรอืออุบาสกมีสิท่านธรรมนะมีการตายทุกครั้งที่มีการสู้รบแต่ว่าตายน้อยกว่าข้าสิทมากกล่าวเนี่ยตายไปสี่คนแต่เคราะห์ดี ที่ไม่มีคนจากหมู่บ้านของเราเลยรู้สึกว่าท่านทราบรายละเอียดดีมากอุบาสกท่านทราบได้ยังไงว่ามีคนตายสี่คนและไม่มีคนจากหมู่บ้านของท่านพวกโจรในป่ากับชาวบ้านมีการติดต่อส่งข่าวกันอยู่เสมอวิธีการสื่อข่าวของเราก็คือพวกโจรจะยิงธนูผูกหนังสือออกจากป่าสู่ชายทุ่งนาที่พวกเด็กเลี้ยงโคเล่นกันอยู่เมื่อเด็กที่เป็นหัวหน้าได้รับหนังสือแล้วก็จะนำมาให้กับเจ้า ข้าพเจ้าก็จะแจ้งชบ้านทราบว่าพู้กจรต้องการอะไรและเราจะส่งอะไรให้เขาโดยวิธีใดหลังจากการสู้รบเราก็จะทราบว่าพกูกโจอตายเท่าไหร่ใครบ้างเอาล่ะเชิญท่านสมณะฉันพรทหารได้แล้วอาตมาไม่ฉันทา ไ, ไม่ไม่ทันน่ะท่าสมนะฉันถเถอะอาตมาจะยังไม่ฉัน จนกว่าท่านจะให้คำมั่นสัญญาอย่างหนึ่งแกอาตมาก่อนคำมั่นสัญญาอะไรเออนธรรมะท่านจะต้องอุทิศส่วนกุศลให้แกทหารฝ่ายข่าศึกที่เสียชีวิตในการรบคราวนี้ด้วยทำไมเออนธรรมะฮะเพราะถึงยังไงเขาก็เป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกกับท่านาาเขาอาจจะไม่มีความโกรธแค้นชิงชังท่านหรือพวกโจรเลยแต่จาต้องสู้รบด้วยเกรงพระราชอาญารบตามหน้าที่เท่านั้น ในไหนเขาก็ตายไปแล้วไม่ควรจะค่าจองเวนเขาอีกต่อไปควรจะแผ่เมตตาแกเขาและอุทิศส่วนกุศลให้เขาด้วยอข้าพระเจ้าให้สัญญา เขามาก็ทาไมล่ะผบา s ุเขาคงมาเก็บสอบพวกเขาเขาทำกันอย่างนี้ทุกทีเพราะท่ากัาสปายอยู่หรือเปล่าถ้าถ้าทหารมจะก่อเรื่องาเพราะท่ากัาสปายอยู่หรือเปล่าอยู่คราวนี้ผมมีอะไรไปด้ยเสรแล้วอามนละข้าพเจ้าจะออกไปพบเขาสักประเดี๋ยวนึงไปหลาชาย แล้วยังไม่เห็นกัดสปะกลับมาเห็นจะต้องออกไปดูซะแนละ้วสงสัยจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นกับกัดสปกักที่สาราพักคนเดินทางชาวบ้านนั่งเป็นกลุ่มทหารถือดาบยืนรักษาการอยู่รอบๆเป็นระยะระยะอ๋อโน่นทหารคุมชาวบ้านทยอยมาเป็นหมู่หมู่ชาวบ้านที่มาประชุมล้นแต่เป็นเด็ก ผู้หญิงและคนแก่ทั้ไม่มีชายชะกันแม้แต่คนเดียวทุกคนหน้าตาเคร่งเครียดกลมหน้ามองพื้นอส ป, ปานั่งอยู่ในวงล้อมนั่นเองทหารรูปร่างกำยำ